ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเทลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเสนอราชสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคำกราบทูลถามของพระเจ้าประเสนทิ่กศนโดยใจความก็คือกราบทูลถามว่าคนในโลกเนี่ย ที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่ตายเนี่ยมีอยู่หรือไม่พูะเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายาการทรากรากสูญเสียเป็นผลพวงมาจากความเกิดบ็รทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วแม้แต่พระอราหันต์เอง ก็ยังต้องประสบกับความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาดแต่ว่าที่พระเจ้าประเสริฐกุศลถามนะัคือละไว้ในฐานที่เข้าใจหมายความพูดระหว่างแก่กับตายแต่ช่วงจะเกิดถึงตายเนี่ยเราประสบความเจ็บเราประสบการพลาดพราดสูญเสียประสบการได้มาประสบการเสียไปแล้วถ้าเราสังเกตได้ดีเราก็มีอยู่ทุกวันือทั้งได้ทั้งเสียอยู่ทุกวัน ยน้อยที่สุดไม่มีอะไรเราก็หายใจใเข้าเป็นได้หายใจออกเป็นเสียประการได้เสียจึงเป็นเรื่องปกติแต่อย่างเดียวเ ส, ยเสียอย่างเดียวไม่ได้นะฮะรับประทานอาหารแล้วต้องขับถ่ายออกไปส่วนหนึ่งถ้าไม่มีการขับถ่ายไม่อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้จึงส่งแสดงแล้วในสุดก็ส่งยกยกอุปมาให้ฟังว่า ราชรสอันวิจิตดีย่อมคร่ำคร่าโดยแท้อันหนึ่งสรีระคือร่างกายของมนุษย์เนี่ยหรือขนสัตว์หรือแม้แต่สิ่งทั้งหลายนะสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายแต่ว่าในประเด็นของพระพุทธ ภ, ภาษิตข้อนี้เอาสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับราชรสแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับคาว่าสรีระ ก็หมายความว่าร่างกายา จ, จะเป็นคนอาจจะเป็นสัตว์หรือไม้จะเป็นเทพเป็นพรุ่มก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแตกทำลายไปในที่สุดเพียงแต่ว่าท่านเหล่านั้นอายุท่านยืนเท่านั้นเองแล้วก็รับสั่งว่าแต่ว่าธรรมของสัตว์บุรุษหาเข้าถึงชราไมม สัตบุรุษกับสัตบุรุษเท่านั้นย่อมรู้กันได้เพราะนั้นประเด็นที่จะเน้นในวันนี้ก็คือเน้นเรื่องคำว่าสัต์บุรุษหมายความว่าคนเราถ้าวุฒิภาวะคือความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดอะไรกันเลยได้ก็ได้เลยซ้าไปพลธรรมะของสัต์บุรุษเนี่ยคือเขาเป็นอย่างเนี้ย เป็นอยู่ตั้งแต่ก็เรียกจริงๆก็มา่ก่อนการอุบัติของส า, ลากลลจักรวาลหรืออย่างช้าเนี่ยฮะก็พร้อมๆกับการอุบัติของส า, ลากลลจักรวาลอย่างที่บอกไวน้นะฮะว่าธรรมะมันก็ส่วนหนึ่งก็คือกฎที่เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นไปตามชนิดประเภทของมัน เป็นไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของท้องชินลักษณะของดวงดาวอะไรต่รางๆอันนี้ไม่เป็นกฎแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีจิตนิยามกับกรรมนิยามคือมนุษย์เรามีความคิดจิตใจเราก็คิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัดต่อเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรต่าไรได้สารพัดแต่มันก็ไม่พ้นความ ชราไปได้รราชรถถึงจุดหนึ่งก็ต้องพังไปหาความเป็นราชรถไม่ได้ควมว่าสัตบุรุษหรือสัพบุรุษแปลพูทสงบถามว่าสุบจากอะไรอาการที่ปรากฏก็คือกายสงบปรจจาสงบจะแสดงว่าใจมีความสงบ คำว่าสงบในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอยู่นิ่งๆนะครคือหมายความว่ากายไม่ประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นหรือตอนเองการพูดก็ไม่ประทุษร้ายต่อตอนเองและบุคคลอื่นนี่ก็ถือว่าสงบพูดง่ายๆคำว่าสงบเนี่ยคือสงบจากบาปจากอากุศลจากความชั่วจากภายัยจากเวณจากอันตรายก็แล้วแต่จะนับไปนะครับ ถึงท่านฟังลองสังเกตว่าพวกนี้มันจะอยู่ในแวดวงของทุกขศาสตร์กับสมสุนทรภิษัทปูนเมื่อไรก็เมื่อนั้นแหละมันก็อยู่ในสองกลุ่มนี้เพราะไรเพราะมรรคศาสตร์เป็นทางดําเนินเข้าสู่ความสุขความสงบความยึกเย็นสัตว์รุษก็ดําเนินไปบนเส้นทางของมรรคศาสตร์แต่ว่า ในแง่ของความจริงบางครั้งเนี่ยธรรมะชุดนี้สูงเรียกว่าสัตรธรรมสัตรธรรมก็คือธรรมะของสัตรบุรุษหมายความว่าเป็นมาตรวัดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะวัดว่าใครเป็นสัตว์บุรุษหรือไม่สัตรบุรุษประสงจะแนกแสดงไว้ในชื่อต่างๆเนี่ยหลายชื่อนะฮะสัพปริสัธธรรมบ้างเอ่อเป็น สัตธรรมบ้างธรรมกรุมนี้ท่านควางหลองสังเกตว่ามันจะซ้ำแลละเพราะอะไรเพราะว่ากุศลและธรรมเนี่ยอย่างไงอย่างไงมันก็อยู่ที่กล้สิขาคือสีนสมาธิปัญญาเราขยายเป็นแปดก็กลายเป็นอนิมัคไปยงแปดเราอาจจะขยายเป็นสิมันก็เป็นผลละเพราะเหตุมันมีแค่แปด กยายเป็นสิบก็มีก็เรียกว่าสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติสัมมาญาณก็คือความรู้ในทางที่ชอบจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสในทางที่ชอบคือหลุดพ้นอย่างแท้จริงแล้วจะไม่กลับกำเริบอีกต่อไปปนสัตสปุริสธรรมเนี่ยมันเป็นระบบการปฏิบัติพัฒนาจิตมนุษย์ โดยเริ่มต้นจากศรัทธาศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นที่ยังลงในคุณของพระรัตนตรัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับพุทธศาสนิกชนก็ต้องอยังลงที่พระพุทธคุณคริสตศาสนิกชนก็ต้องอยังลงที่พระผู้เป็นเจ้าอิสลามิกชนก็ต้องอยังลงที่องค์อัลเลาะห์ ก็หมายความว่าศรัทธาจะต้องอย่างลงชี้องค์สูงสุดและนอกนั้นจะสืบเนื่องมาจากสิ่งสูงสุดแต่ทางพุทธเราพระเจ้าสูงสุดพระธรรมก็เป็นผลจากการศัสรูของพระพุทธเจา้าเมืเราเชื่อพระเจ้าเราก็เชื่อพระธรรมเราก็เชื่อพระสงฆ์พระเจ้าทรงแสดงว่ายังไงเราก็เชื่อทั้งนั้นและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือเชื่อมั่นในพระพุทธคุณให้ครบทั้งเก้าบท จจะนับยาวไปนะไอ้เชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าว่าถูกต้องไม่แปรผันไม่มีปริษฐ์เป็นอย่างอื่นเชื่อพระพุทธเจ้านั้นมีพระไถยบริสุทธิ์จริงๆนี่คนคนหนึ่งเกิดมาแสวงหาค้นคว้าทางเพื่อช่วยมนุษยชาติอยู่หกปีเกือบเป็นเกือบตายสี่สิห้าปีทำงานเพื่อคนอื่นแล้วก็ไปนิพพานไปโดย ไม่มีทรัพสมบัติอะไรนอกอยากธรรมะที่เป็นโมดกตกทอดกันมาที่จริงก็ต้องถือว่าเป็นของมนุษยชาติพระเจ้าเป็นโล ก, กนาถเป็นที่พึ่งของชาวโลกเป็นโล ก, กนายกเป็นผู้นำของชาวโลกแล้วก็เป็นโล ก, กเชษต์เป็นที่ชายคนโตของชาวโลกประการที่สองคือฮิบริสังเกตเราเจอบ่อยนะ พวกนี้ธรรมะที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเขาเดี่ยวมาได้หม้ความศรัทธานําก็ได้ฮิริโอตปะนําก็ได้นะครับอุรยานำก็ได้สตินําก็ได้ปัญญานาก็ได้เพรฮิริเนี่ยคือความละอายแก่ใจที่จะคิดบาปทําบาปหรือพูดบาปแต่จริงๆก็ต้องลึกถึงใจนะคือใจจะไม่คิดบาป พอตัใจคิดบาปแล้วเนี่ยมันจะปริมาณความคิดในเรื่องเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นหรือถึงจุดหดนึ่งอาจจะกํากับผู้คุกไม่ได้ต้นความดำริเนี่ยจึงเป็นที่มาของกิเลสทั้งหลายเราลองสังเกตว่าบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกเฉยๆนะไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดราคะโลภะโทสะโมหะอะไรเลย แต่พอเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันจะเกิดเกิดราคะก็ได้โลภะ ก, ก็ได้โทสะก็ได้โมหะก็ได้ก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดธรรมะ ก, ก็ได้หมายความถ้าไม่เกิดไยอากุศลก็เกิดฝ่ายกุศลเกิดการจางคลายของราคะจางคลายของโลภะจางคลายของโทสะจางคลายของโมหะแต่แน่นอนก็ต้องเกิดเพียงแต่ว่าเกิดบวกหรือลบแต่นั้นเอง ฮีริเป็นมโนธรรมสำนึกที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลทึ่งมีองค์ประกอบอยู่เยอะนะหมายความว่าพื้นฐานของบารมีธรรมที่คนเหล่านั้นได้สร้างสมบรมมาเนี่ยมันต้องเป็นฐานอยู่ลึกๆมากเป็นความโน้มเอียงทางจิตที่รังเกียบบาปขยะแขยงต่อบาปแล้วอันธรายัใสจะ สุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยมันมีข้าวเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กเพราะนิริเนี่ยมีเหตุเกิดมาจากข้างในองค์ประกอบเี่เกิดนิริเีมันเกิดมาจากข้างในคือหนึ่งชาติสกุลถ้าเราเกิดในชาติสกุลผู้ดีที่มีศีลธรรมนะะผู้ ด, ดีจริงๆคือผู้ดีที่มีศีลธรรม คือเราได้แต่ถ่ายทอดเจิงกรรมพันธุ์มาจาก พ, พ่อแม่ที่เป็นผู้ดีมีสินธรรมตอนลูกก็คล้อยตามแล้วก็สองก็คือว่าการศึกษาชี่พัฒนาจิตสำนึกที่ถูกต้องขึ้นไปเรื่อยๆต่อความลายต่อบาปจะละเมยดละไมไปโดยลำดับ จนถึงแม้แต่คิดก็ไม่คิดแล้วก็ไหวที่สูงขึ้นมีประสบการณ์มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็จะได้หลักในการคิดในการพินาเทียบเคียงที่สำคัญยิง่งคือจิตใจต้องเข้มแข็งเพราะว่ากิเลสเนี่ย ตามปกติแล้วคนมักจะแพ้เขาอะคือสู้เขาไม่แค่ได้แต่ในการเะต่อสู้กับกิเลสดีใจจึงต้องแข็มแข็่งมันใกล้ๆกับสังคมเราปัจจุบันเมื่อวันที่ยี่สิบแปดกันยายนที่ผ่านไปเนี่ยมนีนักขา่าวังซื้อพิมพ์สองราย แล้วก็พูดทำรายการโทรทัศน์หนึ่งรายไปขอสัมภาษณ์ก็นานแล้วพวกนี้ไม่เคยมาสัมภาษณ์แต่เราที่ค่อนข้างประทับใจก็คือว่าเขาสนใจในปัญหาสังคมเห็นและะน้วแสดความสับสนต่างๆภายในสังคมเพื่อจะหาทางออกแต่ว่า เขาก็สัมผัสนานนะแะเดวทราบว่ า, าวจะเอาออกอากาศเพียงข้าหน้าทีก็คงจะมีการตัดต่อเการตัดต่อนี่พูดยากนะฮะตัดต่อธรรมะนี่พูดยากเพราะบางทีข้อความบางข้อความเนี่ยมันจะถูกตัดไปทางทางที่มันยึดโยงอยู่กับข้อความที่เหลืออยู่แล้วบางทีก็กลายเป็นเรื่องที่สื่อสารกันไม่เข้าใจ เราก็ต้องเข้าใจนะฮะคือรายการโทรทัศน์เนี่ยเวลามันแพงหานาทีก็ไม่ใช่เบาแล้วปัญหาสําคัญว่ามันดู่ที่มีดิคิดของคนเพราะว่าสังคมเราปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่ยั่วให้อยากกับยั่วให้โกรธยั่วให้โกรธก็ยั่วอยากเป็นสําคัญ หมายความว่าสื่อทั้งหลายจะ ก, กระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะมากเป็นพิเศษทําให้สังคมเนี่ยส่วนมากเลยอยู่อย่างอยากเลยอยากได้นั่นอยากได้นี้อยากได้นน้นแล้วก็เดือดร้อนเพราะเรื่องความเป็นอยู่เพราะคำ ว, ว่าอยากเนี่ยมันไม่มีข้อยุติว่าเมื่อไรจะพอ คือตามใจเขาเนี่ยมันก็ตามใจไม่ได้อะเพราะความอยากมันไม่มีจุดจบแม่น้ำยังเต็มด้วยน้ำได้แต่ว่าความอยากภายในใจมนุษย์เนี่ยมันไม่หยุดเหมือนเมือนก็ไฟยที่สับไตเรามีเชื้ออยู่เนี่ยมันไม่ดับ กิเลสภายในใจของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นวิธีการของพุทธเจ้าจึงไม่ได้สอนให้ตามใจกิเลสประธานใจกิเลสมันจะถูกกิเลสผลักสายเสือกสายขับสจนตัวเองต้องหลงหลายลื่นไหลไปตามกระแสของกิเลสล่านั้นพอ้าจิตใจเราเข้มแข็งเนี่ยมันจะไม่อ่อนไหวกับอารมณ์ต่างๆได้ง่าย วตตปะแปลว่าความสะดุ้งกลัวต่อบาปเราเราถึงตอผลแห่งบาปตัวเหตุหลักนั้นจะเกิดเรียกว่าจิตสํานึกหรือมโนธรรมสํานึกว่าถ้าเราทําไปอย่างนี้พูดไปอย่างนี้หรือแม้ตะคิดอย่างนี้เนี่ยแม้ตัวเราเองก็ติดเตียนตัว เ, เองได้หรือไม่อย่างนั้นผู้รู้ใคร่ควรวญแล้วก็จะติดเตียน แล้วก็กลัวต่ออาดยาของแผ่นดินเพราะการทุจริตมันก็ผิดกฎหมายด้วยแต่ที่สำคัญยิ่งคือต้องกลัวต่อภัยในนรกอันนี้สำคัญมากนะแลลองสังเกตว่าสาสนาทุกาศาสนาเนี่ยจะพูดเรื่องตรงนี้ไปพระตะคนไม่เชื่อเรื่องสวรรค์นรกเนี่ยมันจะทำให้เขาอาจยาไม่ทำบา ต่อหน้าคนแต่พร้อมจะทําบาปเมื่อรับหลังคนแต่ถ้าเรากลัวภัยในนรกนี่ต่อหน้าคนรับหลังคนก็มีค่าเท่ากันคือบาปเหมือนกันเหมือนคล้ายๆก็เราจับไฟต่อหน้าคนนหลังคนนี่ก็คือกั น, นก็ร้อนด้วยกันขั้นข้อต่อไปคือปูเสด จ, จะการศึกษาการสระสระฟังมามาก การเรียนรู้มามากนั่นก็คือมีประสบการณ์ทางภระส า, ศาสัมผัสสูงเรียกวก็มีข้อมูลในแต่ละเรื่องนี้มากแล้วก็ทรงจำเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากในขณะเดียวกันสูตรกฎหลักต่างๆนี่แม่นยำต้องท่องได้นะต้องแม่นยำเวลาเนี้ยเรา ตกเป็นานานิคมทางความคิดของฝรั่งที่จริงก็เถียงมานานเ น, น, นะ่ยนะฮะทมายัางรู้สึกว่าที่ที่เริ่มถกเถียงเรื่องนี้กันตั้งแต่ปศสังพัน127คือเขาต่อต้งความจำกรมวิชาการนั่นแหละกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยต่อต้งความจำแล้วก็ปรากฏว่าถามไ้แกกอ็อธิบายไม่ได้ คือเราลืมไหว่าการศึกษาในที่จริงคือการพัฒนาขันห้านะฮะพัฒนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยให้ออกมาในเชิงสร้างสรรพัฒนาก้าวหน้าแล้วก็สามารถใช้องรวมข้องความเป็นขันหานี่ทาประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน<ม>เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นและกระจายกว้างออกไปโดยลำดับแต่ว่า เราพิคิดอย่าติฝรั่งคิดแต่มายังมองว่าเป็นเลขกะระเทเพราะถ้าหากว่าระบบการศึกษาไม่ได้ให้คนแม่นยำคือจาแม่นจาแม่นจะท่องหรือไม่ท่องไม่แปลกหรอกคุณจาแม่นก็แล้ว ก, กันในสุดเราต้องพึ่งเครื่องจิ้มทั้งหลายเนี่ยเวลานี้เด็ก เลขสามหลักยังยังต้องใช้เครื่องคิดเลขแล้วแล้วต่อไปนี่จะเปยังไงนั่นคือเงินตราต่างประเทศที่จะต้องสูญเสียออกไปวุฒิภาวะของเราก็เตี้ยลงเตี้ยลงไม่มีความคิดความอ่านเปอนคนตัวเองเพราะไม่มีข้อมูลเลยเพราะต้องนำเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาคิดพินิษพิจารณาทรงใช้คำบาลีว่า เพ่งพินิษ์พิจารณาด้วยใจเพ่งแล้วก็พินิษ์แล้วก็พิจารณาสิ่งที่ปรากฏคือสิ่งที่ปรากฏแต่อย่าลืมว่าก่อนจะปรากฏเนี่ยมันมีความเป็นมายัางไงบทเรียนในอดีตมีอยู่ทุกเรื่องในโลกนี้ไม่ต้องกลัวหรอกเพียงแต่เราเขาจะคิดเรามองให้เป็นไม่ใช่ว่าต้องมี ต้องมีเหมือนกันทุกอย่างเลยนะใช่ยางน้นมนลักษณะซ้ำซากอย่างที่เคยพูดเรื่องยันยสูดอวันก่อนเหลือตัวอย่างราจสังกัะคือเหนึ่งความฉลาดในการส่งเสริมอาชีพของอนาประชารัษดรตลอดถึง ในเรื่องครอบครัวนะฮะก็มีความฉลาดในการที่จะประกอบอาชีพในสิ่งที่ตนถนัดแล้วก็มันมีกระบวนการที่จะเลื่อนไหลเข้าสู่ผู้บริโภคแล้วก็นำเงินย้อนกลับมาเป็นกำไรพอสมควรและฉลาดในการครบคนการคัดสรรคนการเลือกคนการมอบหมายแต่งตั้งคนให้ปฏิบัติภารกิจ กิจการงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถความคิดอา่อานข็เขาแล้วก็ฉลาดในงานด้านสังคมสงเคราะห์ตัวรัตั้งกองทุนขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็ลงทุนให้นักเรียนชาวบ้านนั่นนะคล้ายๆกับทุนรัฐบาลที่ให้ทุนกันักเรียนเรียนเนี่ย แล้วถึงจะเดินทุนก็ย้อนกลับมากองอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยคนอื่นต่อไปได้เรื่อยๆและนอนส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นนี่ศูนย์คนที่ยืมไปอาจจะตายหรืออะไรอะไรก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่จะกลับมาเพราะโครงสร้างตรวนี้ที่จริงมันไม่ใช่โครงสร้างใหม่เป็นโครงสร้างเก่าแต่พอเขาเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มนะเราใจว่าที่จริงก็นี่คือแนวของการลงทุน ให้แก่คนยากจนมีระยะปลอดหนี้แต่นั้นเองแล้วก็เมื่อมีทรัพย์สินเงินทองพอจะผ่อนให้รัดได้ก็ผ่อนมาแล้วก็นำเข้าสู่กองทุนเหมือนเดิมแล้วก็ฉลาดในการประชาสัมพันธ์คือการชี้แจงการอธิบายการทำความเข้าใจกับคนทั้งหลายซึ่งซึ่งซึ่งซึ่งหมายความว่าไม่ได้เฉพาะเรื่องรัดหรอก เราแต่ละคนเนี่ยมันต้องมีความสลาดในการจะสื่อสารติดต่อกับคนอื่นแล้วก็ขจัดปัญหาอุปสรรคอันตรายที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆของรนเองในขณะเดียวกันตนหน้าที่ตำแหน่งการงานมันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องมองปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เป็นลูกตุ้มถ่วงสังคมอยู่เพ้ยแม่มาซ้ำซากอะ่ะ ไม่มีอะไรใหม่แล้วจะถือว่าเก่าก็ไม่ได้เพราะมันเกิดมาใหม่แต่อย่างนี้แหละเคยเกิดมาแล้วอย่างในกรณีที่พระเจ้าทรงสแสดงชาดกห้าร้อยห้าสิบเรื่องเนี่ยฮะมันเกิดมาจากคาว่าเรื่องอย่างเนี้เคยเกิดมาแล้วในอดีตมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นในในขณะนั้นแล้วก็ไปที่สนใจของชุมชนพระเจ้าก็รับสั่งว่าเรื่องนี้เคยเกิดมาแล้ว เรื่องทำนองนี้แหละแต่ไม่ใช่คนเดียวกันหรอกคือมาความาเรื่องในดิการนานไกลแล้วก็รับสั่งเล่าเป็นสาดกเพราะสาดกที่จริงมันเป็นลีลาชีวิตเป็นลีลากรรมคือเรามักไปยึดติดในรูปของนิทานนะแต่จริงแล้วเป็นลีลาชีวิตเป็นลีลากรรมที่คนมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วแล้วก็เกิดผลจากการกระทาแล้ว รับผลเป็นความสุขความทุกข์ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเพราะงั้นการเพ่งพินิจิจารณาจึงเกิดความเข้าใจจนถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่าทิติยาสุปฏิปทาคือมีความเข้าใจประการต่อไปคือเรื่องความเพียรถ้างเราสังเกตธรรมะซ้ำนะฮะเพราะอะไรเพราะเราขาดเขาไม่ได้เลยัีอย่าง ในแต่ละวันเราขาดความเชื่อมั่นไม่ได้ขาดทีริไม่ได้ขาดอุตตปะไม่ได้ขาดความรอบรู้ไม่ได้ขาดความเพียรไม่ได้ขาดสติไม่ได้ขาดปัญญาไม่ได้ทุกวันนะวันธรรมะไม่ใช่ซ้ำแต่ว่าคนเนี่ยมีพฤติกรรมซ้ำองค์ธรรมก็ทรงแสดงแต่แสดงมาจากอริยมรรคให้ลองสังเกตว่าแสดงมาจากอริยมรรค เนศรัทธาฮิริโอตต ป, ปะมันก็เป็นสมาสังกปะภูษะเองนะฮะก็ที่จริงก็เป็นสมาชิติสมาสังกปะภูสะภูษะปัญญาวิริยะก็เป็นสมาปัยามัสติก็เป็นสมาสติมันก็เป็นอริยมรรคพันวิริยะกล่าวโดยสรุปก็คือว่ามีความกระหายที่จะป้องกันที่จะขจัด ปัญหาภาษาอันตรายต่างๆแล้วก็มีความกระหายที่จะลงมือประพฤติปฏิบัติพัฒนารักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นเอาไว้ต่อไปคือสติสติคือระลึกได้ระลึกทันเลกได้ใช้ประสบการณ์ต่างๆจากอดีตมาเป็นบทเรียนในปัจจุบันแล้วก็สร้างสรรงานในปัจจุบันเนี่ยเพื่อเตรียมเข้าไปสู่อนาคตอย่างหนักแน่นมัน่นคง แล้วก็มีปัญญาความรอบรู้สามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าปริหารีิกะปัญญาคือ ป, ปัญญาในการบริหารตนเองคือสามารถป้องกันขจัดบำรุงรักษานั่นแหละพวกนี้จึงจึงจึงพูดด้วยกันทั้งฟังลองสังเกตนะเขาติดกันเลยสมข้อเนี่ยวิริยะสติปัญญาสลับไปสลับมานะแต่เขาต้องไปด้วยกันนะสมข้อนีย วิสติปัญญาสติสัมมชัญญะปัญญาก็ได้ก็แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าในสัพปริสธรรมเนี่ยท่านสรุปไปข้อนี้เป็นข้อเดียวนะฮะเป็นองค์ธรรมเป็นคุณธรรมภายในใจของบุคคลทีนี้ต่อไปมันจะเป็นบทพิสูจน์พิสูจน์ว่าหนึง่งจะปรึกษากับใครใค ก็ไม่ปรึกษาเพื่อเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นเดือดร้อนจะคิดสิ่งอะไรก็ไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นเดือดร้อนจะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นเดือดร้อนจะทําสิ่งใดก็ไม่ทําเพื่อเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นเดือดร้อนตกลงมาตรงนี้สี่ข้อเป็นห้าข้อต้องความคุณได้ยินบ่อยนะว่าธรรมะเนี่ยทําผู้คิดทําพูดคิดอยู่ด้วย รือว่าตาูจุงเรื่องกาใจภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาไม่พูดเพราะว่าเขาพูดในเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าศาสนาก็จะสาวถึงเหตุมันก็จะพูดที่เหตุมันเนื่องจากว่าธรรมทั้งมวลมันเกิดมาจากเหตุถ้าจะดับก็ดับที่เหตุไปดับที่ผลมัไม่ได้อะมันคล้ายๆกับความร้อนที่เกิดขึ้นแก่ภาชนะเนี่ย ถ้าเราดับเราตำดับที่ไฟไม่ไปดับที่ตัวเขาจนะแต่ใครยังอยู่เนี่ยดับยังไงมันยังร้อนทีนี้เพิงสังเกตว่าตอนนี้มันเป็นลักษณะของอารมณ์เป็นเรื่องของความคิดซึ่งทำหน้าที่รับอารมณ์เก็บอารมณ์คิดอารมณ์เลือก็รู้อารมณ์วินิจฉัยอารมณ์คิดอย่างนี้ควรไหมปรึกษาอย่างนี้ควรไหมพูดอย่างนี้ควรไมคิดอย่างนี้ควรไหมทอย่างนี้ควรไหม ถ้าเบียดเบียนก็คือบาปเบียดเบียนตนเองก็เป็นบาปเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นบาปมันเป็นอกุศลกรรมเพราะนก็ทันเว้นทีนี้เมื่อจิตประกอบด้วยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยมันพวกนี้มันออกมาเองมันพิสูจน์ว่าถ้าคุณมีคุณธรรมเจ็ดข้อขั้นต้นเนี่ยอย่างนี้จะมีแต่ถ้าอาการเหล่านี้ไม่มีก็แสดงว่าที่คุณว่ามีน่ยมันไม่มี เพราะไรเพราะว่ากุศลนั้นจะออกมาเป็นกุศลเท่านั้นจะออกมาเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกมันเหมือนกับมะพร้าวในต่อออกผลเป็นมะพร้าวเท่านั้นออกมาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทีนี้ประการต่อไปก็คือตกลงว่าสี่นะห้าแล้วหกก็มีความเห็นชอบเป็นสมาธิปัญญาที่เห็นชอบเห็นชอบในอะไร เห็นชอบในเรื่องกฎข้องกรรมกฎข้องสารวัตรแล้วก็เห็นชอบในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจับต้นหลักตรงนี้ให้ได้นะเราอย่าลืมว่าแม้แต่ศาสนาอื่นมันก็ลักษณะอย่างเดียวกันเนี่ยเพียงแต่ว่าภาษาเขาเรียกต่างกันจะยกตัวอย่างเนี่ยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมัสูตรเลยนั่นคือเห็นชอบแต่ทำดีได้ดีมีเด็ดไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนี่แสดงว่าเห็นผิด และประการต่อไปก็คือให้ฐานโดยเคารพเคารพในสำนึกตัวเองเคารพต่อผู้รับเคารพต่อตัวเจตนาเคารพต่อตัวทานที่เราให้อม่จะให้แบบทิ้งๆกว้างๆหรือให้ของที่ไม่มีราคาข้างงวดอะไรนี้เป็นธรรมะที่เป็นเรือนใจเป็นฐานใจ นะคือเจ็ดข้อข้างต้นเนี่ยเป็นเรือนใจเป็นฐานใจนองนั้นเป็นอาการนะเราเจนว่าสัมมาทิธฐิมันก็คือปัญญานั่นเองการให้ทานโดยเคารพนั้นก็แสดงว่ามีสติสัมผัสความเพียรแล้วก็มีศรัทธาก็เป็นสะท้อนธรรมะมาทั้งเจดข้อนั้นนะ่ะแล้วก็เจ็ดข้อนี้ก็เป็นวิถีชีวิตแล้วครั้ ง, งเราสังเกตว่าเราขาดธรรมะเหล่านี้ได้ไหม ทั้งวันเลยเราไม่มีธรรมะสักสักข้อหนึ่งเจ็ข้อเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะเดินข้ามถนนก็รถชนแล้วเพระขาศสติทำ ง, งานอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีความเชื่อมัน่นหรือไม่ขยันมันเพียนหรือไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเนไหมมันมันมันพวกนี้จะกื้กูกันหมดเลยต่างคนต่างก็ช่วยเสริมเติมเต็มให้แก่กันและกัน เป็นสิ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจตสิกรธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจมันเป็นกุศ ล, ลธรรมแล้วก็คือกลุ่มอริยมรรคทีนี้ต่อไปที่เราพูดกันมากโดยเฉพาะปกติสังคมไทยพูดสัพพิสธรรมอีกชุดหนึ่งนะฮะจะพูดกันมากแต่ถ้าเราลองสังเกตว่าสัพพิสธรรมอีกชุดหนึ่งที่เราพูดว่าความเป็นผู้รู้จักเหตรุรู้จักผลรู้จักตัวรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักจุมชน ที่จริงมันเป็นธรรมะภาคบริหารภาคจัดการเป็นการปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าปฏิบัติธรมรมสมคุรแก่ทําปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมทำ ม, มันอยู่ตาความเป็นผู้รู้จักธรรมะก็หมายความว่าเป็นผู้รู้จักพระธรรมอินัยคือความเป็นผู้รู้จักเหตุเช่นรู้ว่าเมื่อสร้างเหตุนี้ผลก็จะออกมาอย่างนี้ สส่เช่นนี้ผลจะออกมาอย่างนี้ทำนองปลูกพืชไม่พืชลงไปแล้วก็จะได้ต้นพืชชนิดนั้นได้ผลของพืชชนิดนั้นทีนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยเมื่อเราประกอบ เ, เพศในผลมันยังไม่ปรากฏแต่เราสามารถมองไปหาที่ผลได้นะเขาเรียกว่าอัตถันยุตาความเป็นผู้รู้จักอัตฐะอัตฐะก็คือเนื้อหาสารัถะของสิ่งนั้นน่ะ เนื้อหาจริงๆก็สิ่งเหล่านั้นคืออะไรแกรนแท้ก็สิ่งเหล่านั้นคืออะไรในพระบาลีเนี่ยบอกว่าเป็นผู้รู้จักอัดคือเนื้อหาของพระธรรมวินยัยอันนี้ออกออกนี้ก่อนนะฮะเนื้อหาของพระธรรมวิ น, ยมมรรนัยเช่อสมุดรัตธานี่เนื้อหามันเป็นยังไงเมตตาในเนื้อหามันเป็นยังไงวันตะก่อนที่เข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยเขาถามเรื่อง ทางสายกลางประทางสายกลางยังใช้ได้อยู่หรือไม่บอกมันก็ต้องใช้อยู่แล้วอะต้องใช้อยู่แล้วอะไรกาเรียกว่าพอดีพอควรพอประมาณพอใจอะเป็นข้อยุติร่วมกันเจน้นเราเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีว่านธรเราก็ปฏิบัติตามคร้อยตามตรงนั้นถ้าไม่งั้นเกิดขัดแยง้ง ทีนี้ถ้าเป็นกฎหมายถ้าเป็นการขัดแย้งกฎหมายก็กฎหมายว่าอย่างไงคืออย่างนั้นแหละใช้หลักเกณฑ์นะฮะใช้หลักเกณฑ์ไม่ใช่ใช้หลักกูหรือว่าใช้ความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจนั่นคือทางสายกลางจะรักมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่สายกลางเกลียดมากเกินไปก็ไม่ใช่สายกลางถ้าเรารักมากเนี่ยปกป้องแม้แต่ทาผิด เกลียดมากแม้แต่ทำผิดเราก็ไปซ้ำเติมอันนี้ไม่แม่กลางคือไม่ดูรานทุกขุนแก่กันนี้เพราะในกรณีของกฎหมายก็ว่ากันตามกฎหมายเราไม่มีสิทธิพิพากษาใครเพราะเราไม่ใช่ศาลแล้วศาลเองก็ต้องสารศาลนะฮะศาลฎีกาไปพิพากษาโดยจึงจะเป็นข้อยุติ ทีนี้พอถึงศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นหมายความถ้าเขาขาดศีลก็ต่อเองและบาปกรรมของเขาเองพระก็เหมือนกันถ้าพระต้องอาบัติพระก็ต้องอาบัติแล้วก็ต้องคนเดียวนะะไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเลยทีนี้ในกรณีของจริธรรมหรือศีลธรรมหรือแม้แต่เรียกว่าคุณธรรม ตรงนี้ก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมันเป็นความดีส่วนตัวเป็นความไม่ดีส่วนตัวหมายความถ้าขาดคุณธรรมมันก็เป็นความไม่ดีของบุคคลเหล่านั้นแต่เมื่อเขาแสดงออกเนี่ยถ้าไปกระทบสังคมมันไปผิดกฎหมายมันไปผิดจริยรรมเพรา ะ, ะนั้นจึงสามารถล ง, ลงโทษได้แต่ไม่ใช่ลงโทษเพราะขาดจริยธรรม ไม่ใช่ลงโทษเพราะขาดสินธรรมแต่ลงโทษเพราะขีดกฎหมายพอเป็นกฎหมายมันเข้าสู่กระบวนการที่กล่าไว้ในะตอนก่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในข้อที่เราเรียกว่าท ร, รมัญญาตา ก, ก็คือรู้จักเนื้อหาของสิ่งนั้นๆั้นเช่นว่านิพพานในหมายความมันยังไงหรือว่าสภาพจิตที่ไม่มีกิเลสเนี่ยเป็นยังไง แล้วบางคราวบางคราวก็คือรู้จักผลฮนะเพราะงั้นเราเห็นว่าผลเนี่ยมันมาจากเหตุเดี๋ว่าที่เหตุมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นละเราเห็นแต่ผลเราเห็นผลมะม่วงเรารวมมาจากต้นมะม่วงแต่ต้นมะม่วงไหนต้นมะม่วงชนิดไหนฮะถ้าเรารู้จักมะม่วงชัดเจนเราก็บอกว่าต้นนุ่งพันนั้นพันนั้นพันนั้นพันนั้นแต่อยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นรายละเอียด ที่จะต้องศึกษาสอบถามไต่ถามแต่ว่านแน่นอนที่สุดเขามาจากต้นมะม่งวงแล้วก็ความเป็นผู้รู้จักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคืเนี้ยรู้จักเหตุกรู้จักผลีเ่เป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับปัญหาในในโลกนะฮะไม่ไม่ใช่ในในประเทศไทยหรอกปัญหาว่าเราไม่เคารพเหตุผล เราประกอบเหตุเยอะแต่เราไปเสด็จผลทำความเชื่อชั่วเยอะแต่าแก้ตัวพลวันจริงๆถ้าเราไม่ทำเนี่ยไม่ต้องแก้ตัวแต่ไปทําทไปแล้วแก้ตัวมันก็ไม่รอดถ้านในกรณีที่เป็นบาปด้วยแล้วนี่จบสิ้นกันเลยแน่นอนในแง่สังคมเนี่ยเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ อ, อาจจะลงโทษอะไรไม่ได้ในแง่กฎหมาย แต่ในแง่ของบาปเนี่ยมันจะตามเราไปทุกคนทุกแห่งอย่างเงาที่ติดตามเราไปผลลัพธ์การสาคัญของความเป็นมนุษย์ก็คือเป็นสัตว์โลกที่มีเหตุผลสามารถจะแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นบาป บ, บุญคุณโทษเป็นต้นเนี่ยดังนั้นเราจึงสามารถ สังเกตได้แต่เราเข้าใจเหตุผลเนี่ยเช่นว่าคนกริยาอาการโวยวายอย่างเงี้ยแสดงว่าเกิดโทสะเศร้าโศกเสียใจร้องผมร้องไห้ไม่เป็นสติสมประดีก็แสดงว่าประสบการณ์สูญเสียประสบการณ์พัดพรากอย่างแรงมากๆเราไม่รู้ตัวความคิดล่ะแต่เราดูจากอาการ เพราะอันนั้นมันเป็นผลที่เกิดขึ้นต้องมาอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุแต่ที น, นี้ถ้าคนมีอัตยาศัยอ่ยอนโยนมีวาจาไพเราะอ่อนหวานมีกิริยาอาการอ่อนน้อมก็แสดงว่าภายในจิตใจก็ดีแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะว่าคนนี่อย่าไปทุ่มใจลงทั้งร้อยเอร์เซ็ต เพราะว่าคนเนี่ยมีมายามีเสแสร้งมีโอ้อวดมีแข่งดีมีหลอกลวงมีปลอมแปลงภาษาสันนิฤตเขาพูดถึงถึงผู้หญิงอาจจะมองในแง่ารายนะแต่มาว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเขาก็บอกเกิดแววมาถึงเนี่ยมันเลื่อนไหลลงสู่กระแสของมารยาทันที เมืก่อนดูลายการรายการเด็กฮะเด็กสักสาสองขวบพ่อแม่ก็ทําเป็นไม่สนใจแม่ทำไมสนใจเดินไปเดินมาไม่ดูแกพยายามเดินไปแม่เห็นแล้วก็ล้มกลิ้งร้องไห้จ้าะแม่ก็ไม่สนใจพอเห็นแม่ไม่สนใจแกก็เดินตามมาอีกพอแม่เห็นแกก็ร้องอีกบอกเออไอ้ที่เขาว่าผู้หญิงเนี่ยที่จริงไม่ใช่เด็กดนี่ผู้ชายนะะ คือแสดงว่าอาการเลื่อนไหลลงสู่กระแสะมารยาเนี่ยมันมีด้วยกันแหละเพราะมารยามันเป็นเป็นอุปกิเล์เกิดขึ้นกับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เจ้าเล่ห์เสแสร้งโอ้โอวดแข่งดีหลอกลวงปลอมแปลงก็เล่นกันได้สารพัดทีนี้อัธยุตาความเป็นผู้รู้จักอาจคือรู้จักเนื้อหาของแต่ละเรื่อง คล้ๆเกลือในเนื้อหามันเค็มน้ําตาเนื้อเนื้อมันหวานน้ำในเนื้อหามันเย็นก็ไม่รู้จะว่าไงก็ตามะแต่ถ้าถ้าเค็มแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเกลือคนอื่นเขาเรียกยังไงก็ไม่รู้หวานเราก็เรียกว่าน้ําตาลหรือเราเรียกว่าความหวานอาจจะอยู่ในชื่ออื่นก็ได้แต่นี่คือเนื้อหาของมันแต่นี้ปัญหาสําคัญว่า ตัวเนื้อหาเนี่ยมันก็คือตัวเจตนาลมถ้าในแง่ของกฎหมายในแง่ของศีลนะฮะมันเป็นคือตัวเจตนาลมเพาเจตนาลมจริงๆนะ่ยมันคืออะไรแล้วก็ทํำยังไงจริงจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามเจตนาลมเหล่านั้นได้ซึ่งบางครั้งมาคราวเนี่ยไอ้ตัวเหตุมันอาจจะรุนแรงนะเช่นว่า บังคับลากลู่ถูกลางไปเลยโดยเขาบอกว่ามันมีทองอยู่เราไม่เชื่อคนที่บอกก็ต้องการให้เราได้ทองอะ่ะแต่เมื่อเราไม่เชื่อเราดื้ อ, อ ก, ก็จับลากลู่ถูกลางไปแล้วก็ผลักครมกูมเข้าไปให้ไปเจอทองแค่ตัวเหตุมันแรงตัวเหตุมันแรงแต่ว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยเขาทำาดยการุณา อย่างที่เคยพูดถึงวาจายาบวจายาบนั้นไม่ได้หมายความว่าจิตใจจะต้องหยาบเสมอไปวจายาบท่านจริงไม่ได้ตัดสินที่ตัวคํานะฮะท่านตัดสินที่เจตนาถึงถือว่าแปลกมุสาวาตเนี่ยก็ตัดสินที่เจตนาพวกนี้เขาเรียกว่าสัจจตกะคือต้องจงใจยุโยงปลุกปะนะั่นให้เกิดความแตกแยก แล้วก็กล่าวคําหยาบขายรายกาต่างๆหรือพูดเพ้อเจ้อเรื่ยๆเนี่ยพวกนี้เขาเรียกสจิตกระคือจงใจจงใจที่จะให้เป็นเช่นนั้นเพื่อใก า, าการนําความก้อนนี้ไปบอกขางโน้นซึ่งมันควรจะเป็นการโสเสียดเนี่ยแต่ว่าเรานําความดีไปบอกบอกข่าวคราวบอกข้างสองข่ายมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะคำหยาบเนี่ยจึงอยู่ที่เจตนาหยา เจตนาจะให้เกิดความพิบัติสูญเสียบาดเจ็บล้มตายพละดพลาดของบุคคลเรา น, นีนั่นก็คืออะไรคือคือเจตนารมตัวเหตุเนี่ยมันเป็นเจตนาดีผลที่ปรากฏนะอาจจะหยาบแต่ว่าเจตนาที่จะพูดเนี่ยคนคนนี้ก็เจตนาดีแต่ว่าเสียงที่เปล่งเนี่ยมันหยาบ เมื่อเราเข้าใจในกระบวกนการเหตุผลแล้วเนี่ยมันจะมีปัญญาในการวิเคราะห์วินิจฉัยสิ่งต่างๆตัดสินสิ่งต่างๆให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ทุกฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุนี้ขอความเจริญงอกงามไพบุตรในธรรมงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี